รอะอุบายการฝึกอบรมที่ถูกกับจริตของตนก็มีดังท่านที่ทำจิตให้รวมลงได้ขณะลัวเสียงเสือกระหึ่มที่บริเวณที่พักซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ฉะนั้นจริตกับธรรมะเครื่องอบรมจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นกับผู้บําเพ็ญเป็นไรรายไปเช่นรายที่จิตผ่าพนไม่ค่อยลงครูอาจารย์หรือใครง่ายๆอย่างนี้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 จะปล่อยให้เจริญรุ่งเรืองเองไม่มีทางเป็นไปได้ต้องทั้งตัวเองทั้งผู้อื่นช่วยบังคับเพื่อความดีทั้งหลายจะเห็นได้จากการดูดาขู่เข็นของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติต่ตอเราย่อมมีคําดูดาขู่เข็นเป็นคู่เคียงกับธรรมะทั้งหลายที่นํามาอบรมสั่งสอนผู้อยู่ในความปกครองเสมอไปจะมีแต่โอวาทที่ไพเราะ อ, อ่อนหวานอย่างเดียวย่อมไม่เหมาะกับเหตุการณ์เสมอไป เพราะบางรายอาจชอบรสเผ็ดรสเค็มบ้างการอบรมสั่งสอนจึงต้องมีทั้งดุทั้งดีสับปนกันไปพูดถึงบทดุดาคูเข็นก็ทำให้ระลึกถึงพระคุณท่านอาจารย์มั่นอย่างถึงใจซึ่งเคยเห็นท่านดุดาเราและพระอื่นๆในบางราวที่ทำผิดขณะนั้นมองดูกิริยาท่าทางท่านซึ่งกำลังเคี้ยนตีหล่อหลอมลูกศิษย์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 ท่านที่เคยฝึกตนอย่างเต็มกำลังมาแล้วยอมทราบชัดกับตัวเองเช่นท่านที่ได้รับความสงบทางจิตอย่างเต็มที่กับทางจงกรมขณะที่กำลังกลัวเสียงเสือกระหึมจิตกลับเกิดความอาจหารขึ้นมาในขณะนั้นยังไม่คาดฝันว่าจะเป็นไปได้เป็นตน้นด้วยเหตุนี้การฝึกทรมานตนจึงเป็นงานสำคัญที่ผู้หวังความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรม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 ที่อาจระบุบ้างเป็นบางรายคำว่าบางองหรือบางรายท่านชอบฝึกตนด้วยวิธีนั้นๆเป็นตน้นโปรดทราบว่าเป็นการระบุนามท่านแล้วโดยปริยายคำว่าบางองหรือบางรายนั่นแหละคือคำยืนยันว่าท่านเป็นผู้ฝึกตนทรมานตนด้วยวิธีนั้นเช่นอดอาหารหรือเดินจงกรมแข่งเสียงเสือกระหึ่มเป็นตน้น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 จะมีผู้กล้าทำกล้าเสี่ยงชีวิตซึ่งเป็นสิ่งรักสงวนอย่างยิ่งเหนือสิ่งใดในโลกและเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ในสังคมมนุษย์ปัจจุบันที่ต้องการผลมากกว่าการบำรุงเหตุแต่ก็มีผู้ทำผู้กล้าเสี่ยงจนเป็นชีวิตอัตภาพที่เด่นตายมาแล้วถ้าท่านรู้ธรรมะจากวิธีนั้นๆก็น่าจะเรียกว่าธรรมะเด่นตายของท่านรายนั้นๆได้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 ที่ปล่อยให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่เข้าเรื่องและร่องรอยอยู่เป็นประจำเท่านั้นจะนำไปไตรตรองและทดสอบความเป็นมาของท่านกับความเป็นมาและเป็นอยู่ของตนเข้าสู่หลักความจริงว่ามีอะไรยิ่งหย่อนกว่ากันบ้างสำหรับเราทำอย่างนี้แต่ท่านทำไมทำอย่างนั้นโดยไม่กลัวพญามาจุราจะหัวเราะเย้ยบ้าง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 แต่ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยไตรตรองหามูลความจริงซึ่งมีอยู่กับทุกคนพระธุดงค์กรรมฐานที่ท่านปฏิบัติตนจนเป็นที่จับใจถึงกับได้นำมาลงให้ท่านอ่านอยู่เวลานี้รู้สึกท่านมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าในผลที่ตนปรารถนาจึงมิได้คํหนึ่งถึงการทุ่มเท ค, ความเพียรเพื่อผลนั้ น, น, น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 เพราะขณะเดินจงกรมก็มีไฟเทียนไขตั้งในโคมผ้าสีขาวแขวนไว้สว่างสวยัยพอเห็นทางเดินได้อย่างชัดเจนปกติไฟเป็นเครื่องหมายของมนุษย์ซึ่งสัตว์ป่าด้วยมากทราบกันแต่พอท่านเดินจงกรมไปมาเพลินๆก็ได้ยินเสียงเสือขู่คำรามขึ้นข้างทางจงกรมซึ่งไม่สูงจากพื้นดินนักห่างกันประมาณสองวา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 จะพอมีสติตื่นตัวว่าตนเป็นพระจึ่งเป็นเพศที่ยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่กลับยืนตัวสัน่นเพราะเห็นแก่ชีวิตยิ่งกว่าธรรมะเป็นความหยาบคายยิ่งกว่าสัตว์เสียอีกเสือเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เราเองเป็นถึงมนุษย์และเป็นพระกรรมฐานทั้งองค์ทำไมไปคิดกลัวเสือไม่เข้าเรื่องเข้าราวขณะที่เรากาลังกลัวเสือและยืนตัวสัน่นอยู่มนลูกสุนัขตกน้าเช่นนี้ เผื่อครูบาอาจารย์ส่งกราแสจิตมาเห็นเข้าท่านก็จะหัวเราะเอาเช่นเสือหัวเราะ อ, อยู่เวลานี้แล้วเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนนี่ทำขายหน้าจริงเลยนะและยังขายพระาศาสนาขายครูอาจารย์ตลอดวงคณะปฏิบัติที่เป็นพระธุดงค์กรรมฐานด้วยกันอย่างไม่มีประมาณอีกด้วยเวลานี้เท่ากับเรามาขายตัวให้เสือและเทวดาทั้งหลายที่สถิตยอยู่แถบเขาลูกนี้หัวเราะเยาะไม่มีชิ้นดีเลย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 ด้วยอุบายแห่งธรรมะที่กำลังคิดค้นอยู่อย่างชุนละมุนและเอาจริงเอาจังในเวลานั้นยังไม่ยอมหนีไปไหนง่ายๆลำดับต่อมาท่านระลึกสติได้มีอุบายขึ้นมาในเวลานั้นว่าสัตว์ก็ดีเสือก็ดีคนก็ดีเราก็ดีในธรรมะท่านก็สอนไว้แล้วว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นไม่มียกเว้น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 เคยเอาเนื้อหนังมังสาของสัตว์ทั้งหลายที่ธรรมะท่านสอนไว้ว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมาเป็นอาหารจนใหญ่โตมาขนาดนี้แทบหยิคควรไม่รู้จักเจ็บเพราะเนื้อหนังของสัตว์ทั้งหลายพุ่งห่ออยู่รอบตัวบดเวลาจะควรยอมสละเนื้อหนังของตัวเพื่อเป็นทานแกเสือเพียงตัวเดียวทำไมจึงเหนียวแน่นแกคนผู้ตรนีหึงหวงนักละ่ะมีหายังหวงจนตัวสัน่นชนิดแกไม่ออก บอกไม่ยอมเชื่อฟังธรรมะเสียอีกด้วยไม่เป็นการบวชมาเพื่อเห็นแก่ตัวเพราะกลัวกิเลส ต, ตัวอุบาทจนไม่มองเห็นใครๆในโลกไปแล้วหรือถ้าเชื่อกิเลสยิ่งกว่าธรรมะจงยืนตัวสั่นเฝ้าร่างแห่งกองทุกข์อยู่ที่นี่ถ้าเชื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าจงสละเลือดเนื้อให้เสือเอาไปเป็นอาหารพอมีลมหายใจสืบชีวิตของมันต่อไปเดี๋ยวนี้อย่าชักช้า ว่าอย่างไรจะไปตามธรรมะหรือจะโดดลงหลุมอุบาทแห่งความทรณีรีบตัดสินใจอย่าให้เสียเวลาของเสือที่กำลังรอฟังนักบวชอันเป็นเพศแห่งบุคคลผู้เสียสละจะประกาศความอาดหารออกมาด้วยปัญญาที่ใกล้ครวญดีแล้วว่าจะให้หรือจะหวงนับแต่สงครามอันเข้มข้นระหว่างเสือกับท่านกาลังเป็นไปอยู่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 อย่างสนิทใจคิดอยากรูปคลำอวัยวะของมันเล่นด้วยความรักสงสารและสนิทสนมในใจจริงจึงก้าวออกจากทางจงกรมถือเอาโคมไฟที่แขวนอยู่ข้างทางเดินตรงไปที่เสืออยู่ทันทีพร้อมด้วยจิตใจที่อ่อนโยนด้วยความเมตตาพอไปถึงที่ที่เข้าใจว่าเสืออยู่แต่ไม่ปรากฏมีเสืออยู่ที่นั้นเลย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 จะตามหามันทำไมกันความรู้กับความหลงก็ตกอยู่กับเราคนเดียวมีได้อยู่กับสัตว์กับเสือตัวไหนนี่ความกลัวตายถึงกับจะเป็นบ้านในขณะนั้นก็คือความหลงของตัวผู้เดียวความรู้ว่าธรรมะท่านสอนไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิน้นถึงกับละความหึงหวงเสได กลายเป็นคนมีเมตตาจิตอ่อนโยนต่อเพื่อนร่วมโลกก็เป็นความรู้ของตัวผู้เดียวทั้งสองประโยคนี้มิได้เป็นสมบัติของใครแต่เป็นสมบัติของตนโดยเฉพาะและจะเที่ยวหาอะไรอีกเมื่อรู้ก็ควรมีสติอยู่กับผู้รู้เพียรไปกับผู้รู้จัดว่าเป็นความถูกต้องดีงามแล้วจะไปตามเอาอะไรกับสัตว์กับเสือ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 แต่ความจริงจะเป็นอย่างไรไม่ทราบได้จากนั้นก็กลับมาเดินจงกรมอย่างสบายหายห่วงไม่มีความหวาดกลัวเหลืออยู่เลยเสียงเสือที่คำรามและหยุดไปเป็นพักๆักนั้นก็หายไปในทันทีไม่มาปรากฏอีกเลยทั้งในคืนวันนั้นและคืนต่อต่อไปจนท่านหนีจากที่นั้นท่านว่านาอาศัศจรรย์ที่จิตกลัวแทบตั้งตัวไม่อยู่และจวนจะเป็นบ้านในขณะนั้นอยู่แล้ว แต่พอถูกขู่เข็นทรมานด้วยอุบายต่างๆกลับเป็นจิตที่กล้าหาญขึ้นมาสามารถสละเลือดเนื้อชีวิตจิตใจพลีต่อเสือได้โดยไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวและอะไรเสียดายเลยนับแต่วันนั้นมาเวลาเดินจงกรมหรือนั่งภาวนาถ้าจิตไม่ยอมสงบง่ายใจยคิดอยากให้เสือมาหาและกระหึมให้ฟังบ่อย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 จำต้องวกเวียนมาอีกท่านว่าอะไรพุดขึ้นมาว่าความเมตตาที่แสดงเป็นความอ่อนโยนนั่นแหลเป็นความสนิทสนมกับสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นศัตรูและทั่วๆวไปตลอดมนุษย์มนาเทวดาอินพรหมยมยักษ์ทั่วไรโลกธาตุไม่มีอะไรเป็นศัตรูในเวลานั้นใจของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลาย เป็นใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาในสัตว์ไม่มีประมาณอย่างนั้นแหลผู้มีเมตตาหลับและตื่นย่อมเป็นสุขสิ่งที่ผุดขึ้นในเวลานั้นเหมือนเป็นโอวาสสั่งสอนเราคนเดียวปรากฏแวแวๆขึ้นมาในจิตฟังได้คนเดียวรู้ได้คนเดียวชัดถ้อยชัดคําและผุดขึ้นมากมายแต่จำไม่ได้ทุกประโยอย่างรู้สึกเสียดายอยู่ไม่หายดังนี้ การอยู่ ier, ป่าอยู่เขาซึ่งเป็นที่เปลี่ยวๆสำหรับผู้มุ่งต่อธรรมะอย่างยิ่งย่อมเกิดประโยชน์ผิดธรรมดาอยู่มากดังท่านอาจารย์องค์นี้เล่าตอนจิตอ่อนโยนกับสัตว์เสือต่างๆไม่มีประมาณคิดอยากเป็นลูกคลมหลังและอวัยวะต่างๆของมันเล่นด้วยความสงสารนั้นผู้เขียนเชื่ออย่างเต็มใจเพราะเคยได้ประสบมากับตัวเองขณะที่เกิดความกลัวมากๆ จนแทบตั้งตัวไม่อยู่ได้พยายามใช้อุบายวิธีฝึกทรมานตนเช่นเดียวกับท่านจนจิตหายพยศปรากฏเป็นความอาจหารและอ่อนโยนด้วยเมตตาขึ้นมาสามารถเดินเข้าหาศัตรูทุกชนิดได้โดยไม่มีความวันเกรงใดๆเลยพอได้ยินท่านเล่าให้ฟังใจจึงรู้สึกซึ้งในความเป็นของท่า น, ท, นทันทีว่ายังมีผู้ทาแบบป่าๆเื่อนๆเช่นเราอยู่เหมือนกัน